ตอนที่แปดกินในชามเย็นจะหวังในหมอ้อเมื่อคือนนี้หลีชิงผิงเพิ่งจะได้เห็นหลิวเคอเคอร์อนางเอกของเรื่องจากที่ไกลๆตอนนี้ถือว่าได้เผชิญหน้ากันตรงตรงสมกับที่เป็นนางเอกจริ ง, รงๆเมื่อทั้งสองยืนคู่กันช่างดูเหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกเส้นเลือด บ, บนหน้าผากของโจจีน้นเยี่ยปวดโปนเขาจ้องมองหลีชิงผิงด้วยความโกรธแค้นสายตาเหลือไปเห็นมือของเจิ้งหยุนชงที่หลีหวานจับไว้ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจิ้งหยุนชงก็คือชายชู้ที่แม่ของเขาพูดถึงนั่นเอง ลี่ชิงผิงพอรู้ข่าวการตายของเขาก็รีบหาคนใหม่ทันทีโดยไม่รอช้าต้องยอมรับว่าสายตาของผู้หญิงคนนี้ไม่เลวเลยคนที่หามาได้ดันเป็นถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเขาเฮ้อ <c oughs> โจวเจี้ยนเย่ยก้าวเดินเข้าไปด้วยท่าทางแข็งที่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าคำพูดแปลกๆที่เจิ้งหยุนฉงพูดเมื่อคืนนี้หมายความว่าอย่างไรที่แท้อีกฝ่ายก็พูดเข้าข้างลี่ชิงผิงนี่เองลี่ชิงผิงอธิบายมา โจจี้นเยี่ยกัดฟันกรอดน้ำเสียงที่เปล่งออกมาเหมือนเค้นลอดผ่านไรฟันหากสายตาฆ่าคนได้หลีชิงพิงคงถูกสับเป็นหมื่นชิ้นไปแล้วหลีชิงพิงดึงสติกลับมาได้ในตอนนี้นางมองไปที่หลิวเคอเคอซึ่งยืนอยู่ด้านหลังโจเจี้นเยี่ยงแวตาดูสงบลงเล็กน้อยอธิบายหลีชิงพิงรู้สึกขบขันอย่างบอกไม่ถูกตกลงว่าใครควรเป็นฝ่ายอธิบายให้ใครฟังกันแน่จะให้อธิบายว่าทำไมข้าถึงพาลูกสาวมาที่เขตทหารนั้นหรือหรือเรื่องอะไร หลีชิงผิงเลิกคิ้วขึ้นเจ้าต่างหากที่ไม่ควรเป็นฝ่ายอธิบายให้ข้าฟังหรอกหรือเจ้าอย่ามาเปลี่ยนเรื่องทันทีที่ข่าวว่าข้าสละชีพส่งไปถึงบ้านเจ้าก็รีบหาคนใหม่ทันทีหลีชิงผิงเจ้าเก่งไม่เบานี่โจเจียนเย่ยพูดด้วยน้ำเสียงประชดประชันการที่เขาไม่ชอบหลีชิงผิงก็เรื่องหนึ่งแต่การที่หลีชิงผิงทรยศเขาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันไม่เหมือนกันผู้ชายคนไหนก็คงรับไม่ได้หากถูกสวงเขาพี่สะพายเจียนเย่ออกไปทำภารกิจข้างนอกลำบากมาก ในฐานะภรรยาที่ดีพี่ควรจะดูแลบ้านให้ดีไม่ควรทําให้เขามีเรื่องให้ต้องกังวลใจอยู่ข้างหลังแบบนี้สิคะหลิวเคอเคอร์แซงพูดทําเป็นหวังดีพูดจบหลิวเคอเคอก็เหลือบมองเจิ้งหยุนฉงแต่คําพูดนั้นจงใจพูดกับหลีชิงผิงแถมคนที่พี่หามายังเป็นคนในเขตทหารอีกแบบนี้เจิ้นเย่ยจะไม่กลายเป็นตัวตลกของทั้งเขตทหารเลยหรือคะคําพูดไม่กี่ประโยคของหลิวเคอเคอไม่ต่างอะไรกับการเติมเชื้อไฟลงในกองเพลิง ความโกรธในดวงตาของโจจี้นเย่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นผู้คนที่ยืนล้อมดูเหตุการณ์เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆโจจียนเ ย, ย่ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าคนพวกนี้จะหัวเราะเยาะเขาอย่างไรลับหลังเกิดอะไรขึ้นนะ่ะมีของคู่พันโจนอกใจไปหาท่านรองเจิ้งเหรอต้องใช่แน่ๆดูสิลูกสาวของคู่พันโจยังคุยเล่นกับท่านรองเจิ้งเลยดูเหมือนพ่อลูกกันมากกว่าอีกผู้หญิงแบบนี้ไม่มีศีลธรรมเลยจริงๆยังกล้าเสนอหน้ามาที่เขตทหารอีกนะหลิวันได้ยินทุกคําพูดอย่างชัดเจนแววตาของนางหม่นลงเล็กน้อย นางลอกสังเกตความตื่นเต้นในส่วนลึกของดวงตาหลิวเคอเคอแล้วแคนยิ้มในใจมีปัญญาแค่นี้เองเหรอคิดว่าการประจานหลีชิงผิงว่านอกใจต่อหน้าคนทั้งเขตทหารในวันนี้จะทำลายแม่ของนางได้งั้นเหรอนั่นมันเรื่องที่จะเกิดขึ้นก่อนที่วิญ ญ, ญาณเดิมจะมาเข้าร่างต่างหากตอนนี้ถึงตาข้าแล้วท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดหลิวหวานก็เอ่ยปากทำลายความเงียบพ่อคณะที่อยู่ข้างๆพ่อคนนี้คงจะเป็นเมียใหม่ที่ย่าหามาให้พ่อใช่ไหมคะแต่ทำไมหนูถึงรู้สึกว่านาคนนี้หน้าตาไม่เห็นจะสวยเท่าแม่ของหนูเลย เจ้าพูดเหลวไหลอะไรโจเจีนเ้นี่ไม่รู้จะโต้อตอบอย่างไรช่วขณะหลิวเครอรเครอคือคนที่แม่ของเขาหมายตาไวใ้ให้เป็นลูกสะใภ้จริงๆแต่ทำไมพอกมาจากปากลูกสาวแล้วมันถึงฟังดูแปลกๆแบบนี้ลีชิงพิงได้ยินสิ่งที่ลูกสาวพูดก็เริ่มได้สติกลับมาเมื่อครู่นางเกือบจะถูกคำพูดของหลิวเคอเคอร์อปั่นหัวจนโมโหจนเกือบจะเสียหลักไปแล้ว เจ้างุนฉงที่ยืนอยู่ข้างๆกมัดแน่นราวตายเย็นชาจ้องมองโจวเจี้ยนเยี่ยและหลิวเคอเคอเขารู้ดีว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะพูดบางครั้งการพูดมากเกินไปอาจทําให้คนอื่นเข้าใจผิดได้หลีหวันพูดต่อไม่ใช่หรอคะเมื่อไม่นานมานี้พยากลับมาจับไปเยี่ยมพ่อที่เขตทหารก็เอาแต่วอยวายจะไล่แม่ให้ออกไปจากบ้านบอกว่าแม่เป็นตัวถ่วงของพ่อแล้วก็สั่งให้แม่หลีกทางให้น้าคนนี้กระแสสังคมที่เคยเอ็นเอียงไปทางเดียวเมื่อครูเริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไปทันทีหลีหวาน โจเจียนเย่ยกำหมัดแน่นจ้องมองนางเป็นการเตือนเรื่องของผู้ใหญ่เด็กอย่ามาพูดจะส่งเดทแต่พวกพ่อรังแกแม่ของหนูหนูจะพูดหรีวันชี้ไปที่หลิวเคอเคอแล้วถามโจเจียนเยี่ยพอกล้าพูดไหมว่าพ่อไม่ได้ชอบนะคนนี้โจเจียนเยี่ยเขาไม่สามารถยอมรับได้แม้ว่าเขาจะมีความรู้สึกดีๆให้กับเคอเคอแต่นั่นก็เป็นเพียงความรู้สึกดีๆเท่านั้นเขาไม่ได้ทรยศต่อชีวิตสมรสระหว่างเขากับหลีชิงผิงแต่หลีชิงถิ่งน่สิภากำมาถึงเขตทหารแล้ว โจจี้นเยี่สูดหายใจเข้าลึกๆลีลล่ชิงพิงเจ้าสอนลูกแบบนี้เหรอดูสิว่าเจ้าพูดอะไรกับเด็กบ้างฉันไม่มีสาคัญว่าเสียเลยในสายตาของนางยังมีค่าที่เป็นพ่ออยู่บ้างไหมลี่ชิงพิงไม่สนใจว่าตัวเองจะถูกรังแกแต่พอนางเห็นลูกสาวถูกรังแกนางก็ทนไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกที่นางโต้กลับโจเจี้นเย่ตรงๆด้วยความโกรธจนใบหน้าสวยแดงกำ่ำเจ้าเจ้าไม่มีสิทธิ์มาว่าลูกแบบนี้ตั้งแต่เด็กเกิดมาเจ้าเคยเหลียวแลนางสักวันไหม แม่ของเจ้าถึงขนาดรังเกียจที่ข้าคลอดลูกสาวออกมาบังคับให้ลูกใช้นามสกุลตามข้าตอนนั้นไม่เห็นเจ้าจะช่วยพูดให้พวกเราแม่ลูกเลยสักคำลีชิงผิงข้าจะไม่ดูแลพวกเจ้าได้ยังไงถ้าข้าไม่ไปดิ้นรนสร้างอนาคตอยู่ข้างนอกพวกเจ้าแม่ลูกคงอดตายอยู่ที่บ้านไปนานแล้ว โจเยี่ยนเย่ยตกตะลึงกับท่าทางของหลีชิงพิงปกติเวลาอยู่ต่อหน้าเขาผู้หญิงคนนี้มันจะมีนิสัยอ่อนแอและรังแกง่ายเสมอแม่ของเขาเคยพูดจาว่าร้ายหลีชิงพิงให้ฟังแต่เขาไม่เชื่อตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเงินเดือนของเจ้าในแต่ละเดือนข้าไม่เคยเห็นแม้แต่เฟินเดียวแม่ของเจ้าเป็นคนเก็บไว้หมดแม่ของเจ้าแทบอยากจะให้พวกเราแม่ลูกอดตายที่พวกเรามีชีวิตรอดมาได้จนถึงตอนนี้ก็เพราะดวงแข็งหรอกนะหลีชิงพิงและลูกสาวกินไม่อิ่มท้อง นางจึงต้องหาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้กินอิ่มทั้งขโมยธัญพืชในบ้านทั้งขุดผักป่านางทำมาหมดทุกวิธีแล้วต่อให้ค่าให้เงินเดือนเจ้าไปเจ้าก็คงใช้จ่ายสุรุสุรย่ยไม่รู้จักประหยัดอดออมเพื่อสร้างครอบครัวโจวเจี้ยนเยยยกคําพูดที่แม่เคยบอกเขามาโต้กลับทั้งสองโต้เถียงกันอย่างรุนแรงหลีหว่านเห็นว่ายังไม่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนจึงตัดสินใจเติมเชื้อไฟเป็นพระยะจาจะฆ่าหนูกับแม่ พวกเราถึงต้องหนีมาลีภัยในเมืองขณะที่หลีหวานพูดนางก็ปล่อยมือที่จับเจิ้งหยุนฉงแล้วเข้าไปซุกในอ้อมกอดของหลีชิงถิงอย่างน่าสงสารพ่อขะท่าพ่อไม่เชื่อพ่อก็ลองไปถามคนในหมู่บ้านดูได้ทุกคนเห็นกันหมดโจเจี้ยนเย่ยตวัาสั่งให้หลีหวานหยุดพูดจาเหลวไหลแต่ก็ไร้ผลลูกสาวคนนี้ถูกหลีชิงถิงเลี้ยงจนเสียคนไปแล้วจริงๆอีกอย่างแม่ใหญ่กับพ่อแล้วพ่อก็อย่ามาวุ่นวายกับชีวิตของพวกเราอีกเลย หลังจากหลีหวนันพูจบหลีชิงผิงก็ยกมือขึ้นรูปหลังนางเบาๆเพื่อปลอบโยนต่อไปนี้นางจะเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งเดียวของลูกสาวหลีชิงผิงข้าตอนนี้ขอถามเจ้าคำเดียวเจ้าคิดเรื่องจะหาคนใหม่ไว้ตั้งนานแล้วใช่ไหมโจวเจี้ยนเย่พูจบก็จ้องมองเจิ้งหยุนชงด้วยความโกรธแค้นรองผู้พันเจิ้งท่านเริ่มหมายตามเมียของข้าตั้งแต่เมื่อไหร่กันไม่เกี่ยวกับรองผู้พันเจิ้งนะคะหลีชิงถิงรีบปฏิเสธตามสัญชาตญาณเจิ้งหยุนชงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทุ่มต่ำ ผู้พันโจนี่ท่านกำลังกินในชามเยังจะหวังในหม้ออยู่อีกงั้นหรือ